ก็ได้พูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ล่วงเลยมาถึงวันนี้ก็คือวันที่20มิถุนายนพศ2 5 8ก็หลายบทหลายตอนแต่ผมก็จะพยายามพูดบางทีก็พูดทุกวันหรือวันเว้นวันบ้ า, บางแล้วแต่อาการ ของความป่วยไข้แต่ก็จะพยายามพูดต่อไปถ้าผมยังมีแรงอยู่แล้วก็ยังพูดได้อยู่นะอย่างวันเนี้ยผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตสักหน่อยที่มันเกี่ยวข้องกับคนทุกคนที่เรามาอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ย เพราะว่าเหตุปัจจัยของชีวิตเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็ใสยชีวิตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทาประโยชน์ทําสิ่งที่มีคุณค่าสาหรับตนเองแล้วก็ท่านผู้ฟังแต่ว่าต้องขออภัยเถิดย่าทีทมันอาจจะซ้ำกันบ้างเพราะว่ามันหลายบทหลายตอนอาจจะซ้ำเป็นบางครั้ง แต่ไม่ได้ซ้ากันทั้งหมดทุกเรื่องแล้วก็ลำดับต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าในระยะนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราบางทีก็พูดไม่เป็นลำดับเหมือนสมัยที่ผู้ธรรมะป่า น, นี้ต้องเป็นธรรมะอีแบบหนึ่งยาติสามก็พยายามฟังหน่อยพยายามจัดลำดับให้ก็จะดีและเราต้องการฟัง บางทีมันก็ลืมนะเช่นว่นาเราจะพูดคำอะไรออกมาเนี่ยบางทีพอถึงกล่าวพูดแล้วมันนึกไม่ออกมันหายไปจากความทรงจำเฉยๆอะไต้องึงระยะไปสักพักหนึ่งมันก็จะนึกออกมันลืมแบบเหมือนสิ่งนั้นไม่มีในชีวิตเราเลยแต่มันมีแต่มันลืมชั่วขนาดหนึ่ง บางทีก็ไม่อยากจะพูดอะไรบางทีก็อยากจะหยุดนไม่ถึงว่าขณะพูดเนี่ยมันหยุดมือความคิดมันมันไม่ค่อยออกอะ่ะบางทีไม่ค่อยออกว่าเราตั้งใจจะพูดตรงนี้แล้วมันคิดไม่ออกแลการตัดสินใจเนี่ยตอนนี้มันจะช้าลงไปมาถ้าใครถามว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดหรือจะเลือกเอานี้หรือเอานี้ คือให้เราเลือกอะไรสียอย่างบางทีเราตัดสินใจไม่ถูกเรื่องการตัดสินใจเนี่ยมันมันมันผิดพาลาดหลายอย่างบางทีตัดใจไปแล้วอืมมันตัดสินใจว่ารู้อย่างงี้เราเอาแบบนู้นก็ดี <c oughs> การตัดสินใจเราเนี่ยมันจะจะไม่ค่อยดีเพราะนั่งคนที่มีอายุผู้สูงวัยบางทีมันก็การขับรถการตัดสินใจต่างเนี่ยบางทีมันต้องรอเวลา พอถามปั๊บจะรอคําตอบจากท่านเลยเนี่ยบางทีมันก็มันก็ลําบากทีถ้าก็นึกไม่ออกไม่รู้จะเอาอะไรดีเพราะเราอย่าใจร้อนนะเวลาดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องถามแล้วให้เลือกอะไรแล้วต้องรอฟังสักหน่อยรอให้เกียรติท่านได้ตัดสินใจสักหน่อยมันจะแน่นอนกว่ามันอาจเกิดจากว่าความเสื่อมนะความเสื่อมของ สัญญาขันความจำได้ไหมรู้ความเสื่อมนี่มันจะเกิดขึ้นได้ตอนที่เราใช้ขันห้าเนี่ยนานพสมควรแล้วโดวยเพราะขึ้นเลขหกเนี่ยเราจะหวังอะไรจากผู้สูงที่ขึ้นเลขหกเนี่ยมันไม่ได้หรอกอย่าไปหวังอะไรอย่างท่า น, นอย่าไปเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลเนี่ยมันทำให้ท่านต้องหงุดหงิดหรืออึดอัด อั น, นี้พูดในฐานะตัวแทนของผู้สูงอายุนะผมก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะหกสิบกว่าแนละ้วเรื่องการตัดสินใจนี่ช้ามากเพราะสัญญาขันเนี่ยมันเสื่อมลงไปแล้วก็ยอมรับในคร น, นี้เราไม่ทุกข์ไม่เครียดกับการหลงหลงลืมๆเราเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดนะเราไม่ไปทุกข์กับมั น, เ, นเราก็รู้ว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้า เราใช้มันมานานมันต้องเป็นอย่างนี้แหละจะว่าแต่เราและเขาเลยทุกคนเหมือนกันหมดเลยนะมันต้องเสื่อมเขาเรียกจะว่าสัญญาอานิจจาเราต้องเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ยอมรับได้ทั้งคนอื่นและตัวเราบางคนบางงงยิดว่าทาไมเราขี้ลืมจริง ขี่ลืมจริงนี่เกลีัวตัวเองว่าไมเราขี่ลืมจริงวะโธ่อย่าไปเกลีัวกันหน้าเลยมันก็ลืมเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละแล้วาอายุมันมากมันก็เสื่อมเป็นธรรมดาแล้วยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนด้วยนี่ไอความเสื่อมมันจะรุนแรงมันจะไวขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าความชราภาพของมันเนี่ยมันจะเร็วกว่าคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ต้องเข้าใจในส่วนนี้โรคไปก็จะที่เบียดเบียนเนี่ยมันช่วยบั่นทอนขันห้าทั้งรูปรขั น, เ, นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, นแล้วก็วิญญาณขันความคิดแรงต่างนี่มันความคิดหรือการเห็นการได้ยินเนี่ยมันจะจะไม่เหมือนอนะ่ะเหมือนเดิมมันไม่ปกติเนี่ยเพราะมันเสื่อมทั่วเลยทั้งขันห้าเลยแล้วต้องยอนรับในส่วนนี้ต้องเข้าใจมัน อย่างผมเนี่ยคุณหมอท่านก็บอกว่าคนที่เป็นโรคตับนะหมอจะค่อยถามเลยเป็นไงสมองเป็นปกติไหมนี่นะว่าเราเป็นปกติเพราะว่าตับเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งก็คือขับของเสียออกจากร่างกายนะโดยปกติตับเขจะทำหน้าที่อย่างนั้นส่วนหนึ่งนะขับของเสียออกจากร่างกายของเสียที่ตกค้างอยู่จากร่างกายก็จะขับออกไป แต่ถ้าตับมันผิดปกติแล้วเนี่ยการทำงานตับเนี่ยจะไม่สมบูรณ์แบบมันจะขับของเสียได้ไม่หมดนะตอนนี้ของเสียที่ขับไม่หมดเนี่ยมันจะเอาไปไหนมันก็เข้าสู่กระแสเลือดแล้วขึ้นไปที่สมองพอขึ้นที่สมองแล้วเนี่ยมันจะมีอาการซึมสับสนบเบลอบางทีก็มีอาการที่ว่าชัก หรืออ า, าวาดก็มีนะแล้วก็หมดสติไปเนี่ยอของเสียมันขึ้นสมองแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้มีอาการทำให้ร่างกายต้องมีเปลี่ยนไปเลยเพราะทางสมองเนี่ยเพราะนั้นคุณหมอบอกต้องระวังให้ดีนะต้องขับถ่ายบ่อยๆคนที่เป็นโรคตับจะมีอาการอย่างนี้แหละมารุนแรงหนักตัวตอนที่ว่ามันชักแล้วมันก็หมดสติไปผมก็สังเกตดูอยู่นะ ยังไม่ไปถึงกับสับสนมันมีบ้านนิดหน่อยก็ถือว่ามันไม่สับสนเป็นเรื่อ ง, องความเสื่อมมากกว่าเรื่องของการจันไดต่างๆเราก็ก็สับสนบา้างเราก็แก้ไขได้ทันเนี่ยเราก็เข้าใจเนี่ยไม่ได้ไปทุกข์กับมันไม่ไปทุกกับสิ่งเหล่านั้นต้องคอยระวังคุณมาบอกว่าให้คนผูด้ดูแลนะคนผู้ดูแลเนี่ยคอยสังเกต ด, ดูว่า เราสึกสับสนไหมเราก็คอยดูแลเราเขาจะรู้ว่าเราจะมีอาการผิดปกติไปเนี่ยให้ใหไปบอกกับหมอแล้วก็หรือพาไปหาหมอซะเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมันูน้าสูงบางทีมันก็บบกพล่องไปบกคล่องคือหมายถึงว่ามันจำจำลืมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะพยายามที่จะปรับปรุงแต่ไม่เคยเป็นทุกข์กับมันนะไอ้เรื่อง ความเสื่อมของสังขารเนี่ยไม่เคยเป็นทุกเพราเราเข้าใจกันแล้วมันเป็นเรื่องของขันห้าขันหน้าเขาจะต้องเสื่อมเป็นอย่างนั้นเองเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราจะ่ต้ไปทุกข์กับมันหน้าที่ของเราก็คือคอยดูแลคอยดูแลหรือไปหาหมอช่วยรักษาให้หมอช่วยรักษานะมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องคอยดูแล แต่ว่าไม่ใช่หน้าทิ้งเราจะต้องไปทุกข์กับมันเราต้องเข้าใจในส่วนนี้ต้องแบ่งแยกกันส่วนของขันห้าก็ทำหน้าที่ไปและส่วนของสติสัมปชัญญะเราก็ต้องทำหน้าที่รับรู้รับทราบเอาไว้และช่วยขันหน้าแก้ไขไปชีวิตเรานี่มันก็เกิดก็เกิดมาแล้วแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่แล้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วย มาเลิกหนขั้นตอนชีวิตที่จะสมบูรณ์แบบนันก็คือตายถ้าถึงวันตายเมื่อไหรแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบเลยมันสมบูรณ์แล้วของชีวิตที่เกิดมาทุกชีวิตจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องความตายหรซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายมันจะสมบูรณ์ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความตายอย่าไปวิตกไปกังวลนั่นแหะ เรากาลังก้าวสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตแล้วเนี่ยคือความตายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้การเรียนรู้เรื่องขันห้านจะเป็นการรู้เรื่องขันห่าโดยการอ่านโดยการฟังมันก็จะมีประโยชน์แต่โดยการปฏิบัติภาวานาหรือการเจริญสติเนี่ยเราจะเข้าถึงในภาวะที่มันไม่เที่ยง ในเพราะที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เนื้อใจเราก็จะสบายจะไม่เป็นทุกข์จะไม่วิตกกังวลกับอาการขันห้าที่มันเสื่อมจนกระทั่งแตกทําลายไปไม่ใช่ว่าผมอยากตายหรืออยากอยู่จะอยากตายหรืออยากอยู่มันก็แล้วแต่ขันห้ามันอยู่ก็อยู่มันตายก็ตายเราต้องยอมรับในส่วนเนี้ยตัวอย่างไรเสียเราก็ ดูรอดูเราเกิดมาแล้วบายหน้าไม่สู่ความแก่ความเจ็ไบไข้ที่ป่วยแล้วก็ถึงความตายสุดท้ายก็คือตายเนี่ยเป็นความสมบูรณ์แบบของชีวิตเลยเหมือนอย่างเรากําลังรออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นการที่รอรับรางวัลบเหมือนเรากําลังรอรับรางวัลของความสมบูรณ์ของชีวิตอ่นะเพราะฉะนั้นย่าดีทําอย่าไปทุกข์กับมันนะ เรากําลังได้เรียนรู้ของทิงของชีวิตและเป็นประสบการณ์ของชีวิตได้ล่ะมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นก็โอ้รับรู้และทราบแล้วก็ช่วยเหลือแก้ไขไปะนะเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตที่จะมาพูดในวันนี้ในเรื่องธรรมะวันหนึ่งคืนหนึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์กับญาติสามบ้างไม่มากก็น้อยนะ